โอกาสหลวงพ่อกมผู้เป็นประธานต่อยให้ความเคารพอย่างเพื่อนสาวธรรมิกที่เคารพทุกโรคจันทรพรและคุณแม่ชีเาลาทำทุกท่านจรงนิงเราต้องมีมาตรฐานกายใจ ารฐานของจิตของใจครับต้องปกติความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือทุกครั้งทุกขณนนะทำที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทก็คื อ, ร, อรู้ความรู้สึกตัวตัวกายตัวใจตัวสคมคันนั่เป็นมาตรฐานอดม ดอดมการชาวพุทธและชั่วทำดีชำระจิตเป็นหลักการเป็นอดมการขณะปฏิบัติธรรมขณะเจริญสติฝึกสติก็ต้องมีอะไรหลายอย่างเป็นอาการแสดงออกของกายของใจก็เรียกว่ารูปธรรมนาทธรรม รูปธรรมก็มีอาการมีธรรมชาตินามธรรมก็มีอาการมีธรรมชาติตัวธรรมะเครื่องมือที่พาเดินทางก็คือความรู้สึกตัวสติสีนสมาธิปัญญามันก็เป็นอาการเหมือนกันมีจุดรองรับมีความละเอียดมีความถี่มีความว่องไวเรีย ว, ว่าไหวพิ ป, ปฏิพนัน เป็นการกลับมาดูตัวเรารู้นอกตัวหลักการนอกตัวก็มีเป็นวิชาเต็มโลกเช่นหลักการวิชาช่างช่างจะต้องมีครูก็คือมีดิ่งมีฉากมีระยะมีระดับชัดเจนการออกแบบของสถาปัตย์จะต้องประหยัด สวยงามประโยช น, น์สูงหลักการของวิศวกรวิศกรรมก็ต้องปลอดภัยมีความชัดเจนตรงไปตรงมาหลักการบัญชีต้องสมดุลเดบิตเคดิตก็เหมือนกันการฝึกความรู้สึกตัวการฝึกสติการเคลื่อนการไหวจะรูปแบบไหนก็ตาม แต่ว่าที่นี่เรารูปแบบแนวหลวงพูเทเดียนจิตตะุ่มโพแนวเคลื่อนไหวตรงไปตรงมามันก็เป็นครูเป็นกรอบเป็นมาตรฐานจิตใจก็จะปรากฏกฎของศสัาธรรมอาการต่างๆก็จะแสดงออกเราก็มีโอกาสได้สัมผัสในความรู้สึกตัวตรงไปตรงมา มันก็จึเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียเวลากันทุกครั้งที่เรื่อนไวรู้สึกเป็นปัจจุบันความเป็นปกติมันก็แสดงออกมาตลอดความเป็นกลางการปล่อยการวางรู้สื่ อ, อรู้เฉยๆมันก็เป็นภาษาที่มาน้อมเข้ามาปฏิบัติถูกต้องก็ต้อง สัมผัสมันปิเสธไม่ได้ทุกครั้งที่กลับมาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปนามกันหน้ามันก็จะได้คำตอบจิตใจที่เคยคุนข้องหรือว่าเคยทุบด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็ไปยึดก็ถูกฉเฉลยตอบโจทย์ ทางทั้งหายสงสัยได้ตอนจะตืต่นยันหลับนกายเราก็มีอยู่ใจเราก็มีอยู่กายมีความแก่ความเจ็บความตายจิตใจเราก็มีอยู่แล้วอาการที่มันคิดฟุ้งปุงแต่งอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจความห ง, งุดหงิดมันก็มีอยู่หลงเข้าไปมันก็ได้แสดงออกมาทางกายวาจา จิตใจก็จแสดงออกมาโดยเฉพาะตัวหลงเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมีอิทธิพลมากพยายามรู้เท่าไหร่มันก็มีตัวหลงนั่นแหละเป็นคู่ที่คอยชวนให้เราไปพบชาติต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็หลงไหลหไปใช้เวรใช้กรรมใช้วิบากมากมายเหลือเกิน ต่อมา เ, าเริ่มมาฝึกมาหัดกันมาวัดมาวา่าเราก็วัดแล้ววัดอีกปัจจุบันขณะผ่านปัจจุบันขณะที่ฐานกายฐานใจเนี่ยกายมันก็มีกายดุนก้อนตรงไปตรงมากระทบสัมผัสรู้สึกอาการต่างๆก็ก็มีอยู่เวทนาอย่างเนี้ยมันไม่เกิดก็ไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติของกายอาการเจ็บอาการปวด เก่งกายถึงหย่อนมันก็มีก็มันอยู่เป็นตัวชีวิตเป็นพลังของชีวิตจีวาร่างกายต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็มีกําลังมากเท่านั้นหยุดเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็ใกล้ตายมากเท่านั้นมันก็บอกอยู่ตาก็ไม่อยากดูหูไม่อยากฟังลิ้นก็ไม่อยากลิ้มรส ถ, ถ้าธรรมชาติตัวนี้มาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าใกล้ตายมากทุกทีไม่อยากจะเคลื่อนไหว นั่งก็โวยลูกก็โอยเวลาเคลื่อนไหวมันก็บอกอยู่แล้วว่าใกล้ตายก็ไปทุกทีเมันเวลามันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่มันใกล้ตายก็ไปทุกทีประมาทไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดกันนั่นแหละเพราะนั้นตอนนี้ยังเคลื่อนไหวได้ดีอยู่กับความเคลื่อนไหวนั่นแหละมาเรียนรู้เนะอามารับรู้เรียนรู้ไป เ, เกิดการเห็นแจ้ง การปฏิบัติถึงเกิดให้ทําเห็นแจ้งขึ้นมาทำไมเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมามันเห็นแจ้งในสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นไหมก า, ายเคลื่อนไหวแต่ว่าในรูปแบบนี้เราซักซ้อมจําลองเป็นแบบฝุกแบบหัดเฉยๆแต่ว่าการเคลื่อนไหวจริงๆเกิดมีอยู่ทั้งวันจะเดินไปไหนทําอะไรจะหยิบของเคลื่อนไม้เคลื่อนมือมันมีเองทั้งวัน กระพิตตาหายใจท้องพองยุบเมงทั้งวันลมไหวไปไหลไหวมาขนาดเนี้ยมาสัมผัสมันก็เป็นเองกับมันตลอดบางทีมันก็นิ่งบางทีมันก็ไหวมันก็เป็นพลังของชีวิตจีวาของเราเราก็ได้ใช้สติที่มันมีอยู่ตามกําลังของมันรู้เท่ารู้ทันเกี่ยวข้องกับเขาอย่างถูกต้องใช้กายทําดีใช้กายทําดี ใจวิชาทำดีใช้จิต ใ, จ ใ, จจใช้ใจทําดีก็ใช้ไปเป็นการเคลื่อนการไห้ตลอดเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับผู้อื่นรักษากายรักษาใจของเราจะเกิดความเรียบร้อยขึ้นไหมรักษากายเรียบร้อยนะการที่เรารู้สึกตัวมีสติก็เรียกว่ามีศีลวาจาร่งเราเป็นปกติก็มีศีลปกติมเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของ ความผ่อนคลาย mm. เคล mm. ื่อนไหวแล้วเกิดความผ่อนคลายเคลื mm. ่อนไหวแล้วก็เกิดสมดุลเคลื่อนไหวแล้วเกิดความเป็นกลางเกิดความยุติด้ธรรมไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้บิดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นการเคลื่อนมือนี่ไม่ได้บิดเบียนตัวเองนะยกไม้ยกมือเดินถุงกรมเนไม่ได้บิดเบียนตัวเองแล้ไม่ได้เบียดเบียนใครมีศีลอยู่แล้วขณะยกมือไม่ได้พูดไป พอเราพยายามงดพูดเพื่อภาวนาอยู่แล้วพูดน้อยๆอยู่แล้วมันก็เป็นตัวศีลอยู่แล้วะไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปนินทาสนรเสริญใครนมันอยู่กับตัวเองกราลองบอกตัวเองสอนตัวเองถ้านินทานินทาตัวเองถ้สอนก็สอนตัวเองอยู่บอกก็บอกตัวเองอยู่ชี้นําตัวเองอยู่เป็นหลักมันก็เห็นอย่างนั้น จิตใจของเราเนี่ไม่มีตัวตนสติไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมทั้งคู่สติเป็นธาตุรู้ประร่วมเกิดธาตุว่างขึ้นมาเนื่องจากมันมีปัญญาเกิดการปล่อยการวางก็มันในตัวในขณะที่มีธาตุต่างๆอีกมากมายเป็นสมมุติเป็นบัญญัติแต่ว่าเรามาดูเป็นลนักษณะของวัตถุอาการปรมัติษ์อย่างเงี้ยมันก็เห็นอย่างนั้น ถ้คิดเมื่อไรเกิดสมมุติขึ้นมาเป็นดีเป็นไม่ดีเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ดูเป็นอาการสักทีเรากเลยเคลื่อนไปเกิดการปล่อยวางเคลื่อนก็เป็นอาการเคลื่อนของกายนะเป็นการซักซ้อมการฝึกหัดเป็นการจําลองมาดูมาวัดบาว่าโดยเพาวัดป่าสุขระตมก็มีรั้วล้อกรอบจิตคนในวัดเราก็มาเพื่อที่จะฝึกหัดให้เป็นวิสัยของบัณฑิตวิสัยวินยุชน วิสัยของคนที่ทุกข์ยากมโนดมการของวัดภูเขาทองเมื่อวานเข้าไปโอ้เขียนกันไว้ชัดเลยคนที่อยู่ในวัดจะต้องเป็นคนที่มีศีลคนที่อยู่ในวัดจะต้องเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเขียนเอาไว้ชัดเจนคนอยู่ในวัดจะต้องเป็นคนที่หลายอย่างหนึ่งสองสามมันมีอยู่ ในพ่อเราอยู่ในวัดนี้ก็ต้องเรียกว่าฝึกหัดเจริญสติกันให้ชำนาญมันมีอยู่ทุกคนสติแต่ว่าการฝึกการหัดถ้าไม่ได้ลงในรูปแบบไม่มีทางเน่ยเ mm hmm. พราะอะไรรู้ปหะเพราะการลงในรูปแบบเื็นการฝึกหัดตรงๆมันไม่ได้อาศัยจิตคิดดีคิดไม่ดีมาค่อยกล่อมเพราะเวลาเราทำงานทำการเนี่ยเห็นเลยชัดๆ ไม่ใช่ว่าผิดนะถ้าทําเป็นก็ดีไปแต่เท่าที่สังเกตดูตัวเองนบางทีก็ทําตามอารมณ์ได้ชัดเจนและทำแล้วก็มีความสุขทําแล้วก็ดีรู้สึกอร่อยในการทํางานแล้วก็มันก็จะคิดทําไปเรื่อยๆนๆั่นแหละเพราะว่าการอยู่ความคิดมันสนุก <S 2> <S 2> แต่อยู่ก็รูปแบบความรู้สึกมันง่วงเหงาหานอนอยู่ก็รูปแบบแล้วมันเบื่อมันห ง, ดงุดหงิดนอยู่ก็รูปแบบแล้วมันมันทุกข์ใจ มันเหมือนถูก บ, บับงคับบังคับตัวเองแต่พอหลังจากที่เราเข้าใจนะทำไปทําไ ป, าไปออกการเคลื่อนก็มีการวางอยู่ในตัวเพระแนวหลวงปู่เทียนเทคนิคคือให้เคลื่อนให้หยุดเวลาเคลื่อน่ะรู้ว่าเคลื่อนเวลา ห, หยุดรู้ว่า ห, หยุดด้วยทำไม่รู้ว่าหยุดด้อยากเคลื่อนต่อนี่ก็เลยมีการรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไปในตัวเบีดเสร็จเราก็เห็นแล้วอ๋อไอ้ตัวนี้แหละ ไปรู้เรื่องดีก็ต้องวางดีไปรู้เรื่องชั่วก็ต้องวางชั่วก็เรียกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆก็คือรู้ก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่ารู้แล้วมันไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างนี้อาการอย่างนี้นมันเกิดขึ้นมามันก็เลยบดเนื้อหมดตัวเหมือนกันในขณะที่จิตมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางกล่าวมันก็เกิดขึ้นขณะที่เรายกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะบํ า, าบเพ็นทางกายก่อน แต่พอเราเห็นอาการของจิตมันว่าไหวมันคิดนมันก็บำเป็นทางจิตไปในตัวเดูไกลเห็นจิตนั่นแหะดูไปดูมาก็ตัวรู้ก็ชํานาญดูกายก็ชนานาญดูจิตก็ทําชํานาญขึ้นมามันคืออาการเยมันคือตัวชีวิตเนี่ยคือพลังของธรรมชาติแต่ถ้าไม่รู้กายเป็นทุกข์หมดเลยติดดียึดดีกับทุกข์ก็ความดีติดชเ่ยยึดเ่ยกับทุกข์ก็ความชั่วเนีฉย รู้หนึ่งในรู้มันดีมันกระทุกเพรความรู้นั่นเองกลายเป็นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้ผู้อื่นติดสุดไปมันไม่ผ่านแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ต้องไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรนะคําพูดของหงวงพ่อมันไม่ใช่คําพูดนะแล้วก็จะมีาการจําแต่มันเป็นการะกระทําที่มันต้องปรากฏะจนทั้งมันมันอกมันใจในสิ่งที่มันสัมผัสได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มี ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้นะคนมีความรู้สึกตัวเจริญสติอยู่ทุกวันนอาการซ้ํำๆที่มันมามันก็บอกทิศบอกทางของเราบอกไปยังไงลบไปยังไงบนไปนยังไงบาปไปยังไงพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรสุขทุกข์เป็นยังไงมรรคผลนิพพานเป็นยังไงเครื่องมือคือสติสีนสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรมันก็มีมาตรฐานการวัดอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นกายก็แสังมีสติอยู่ ทุกครั้งที่เห็นเวทนากาแสดงมีสติอยู่ทุกครั้งเห็นจิตใจของเราแสดงมีสติอยู่ทุกครั้งที่นเห็นธรรมชาติมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทั้งภายในนอกทั้งภายในเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่มันก็เป็นมาตรฐานของทุกๆชีวิตที่เราจะต้องดําเนินไปเองเป็นลักษณะของปัจจตังรู้ได้ตัวของตัวเองคนอื่นบอกมันก็รู้ได้จากการฟัง เมื่อวานเนี่มีบ้านที่เขานิมอนไป น, ะนื่องจากคนดีของเขาได้ตายจากไปนะลาลรับจากโลกนี้ไปทีนี้ก็เกิดการอาลัยอาวรกันกระทาบุญกันรูุ้ึกวัตถนะีครบสี่สิบเก้าวันนะกระทาบุญกลางหนึ่งก็คือเมื่อวานอย่างเงี้ยมีพรดไปก็สร้างขวัญกำลังใจนั่นแหละ เราก็เห็นว่าเออบางทีมันก็ต้ออายบุญเนี่ยต่อยอดเป็นกุศลขึ้นมาก็คือเราเห็นพฏิกรรมของคุณธรรมจ ย, ยธรรมที่แสดงออกกันแบบสังคมกับสังคมในการเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์นกันแต่เราเอาแค่บุญ <c oughs> เอาแค่ความดีแล้วแค่ยึดติดบุคคลยึดติดพิธีกรรม ยึติดลักษณะที่ทําที่เป็นภายนอกะมันก็คับแคบเกินไปก็เราก็ต้องต่อยอดกันต่อบุญความดีความงามให้เป็นความจริงขึ้นมาเห็นความจริงขึ้นมามันเกิดปัญญาขึ้นมาต่อจากสมมติเป็นปรมัตต์ต่อไปต่อจากบุญเป็นกุศลต่อไปก็จึงพากันปฏิบัติธรรม คนสักไม่กี่คนแต่ว่ามันก็ได้ผลดีอยู่ก็คือคนไม่เคยรู้ว่าบญสูงสุดมันต้องกลับมารู้จักตัวเองจิตใจของเรามันมีกําลังใจด้วยตัวมันเองเรียกว่าเป็นพระโยมปฏิบัติโยมก็เป็นพระอิยบคุคคลพระสงปฏิบัติกับกายเป็นพระอิยาสงเรียนรู้วิชาเดียวกันแต่ ว, ว่าเครื่องแบบต่างกันสถานที่ฝึกหัดก็ต่างกัน อาจจะใช้ที่บ้านที่ทำงานที่ตลาดร้านค้าอะไรก็ตามของเราอยู่ในวัดในวาวัดป่าสุกโตเงี้ยแต่เราก็มาเรียนรู้วิชาเดียวกันคือวิชาการฝึกการจดสติปัฏฐานอย่างเงี้ยการเกินการไหวพริกมือยกขึ้นรู้สึกตัวรู้ใ้ลมหายใจท้องพองยุศวิธีการต่างๆเราก็ทำให้เป็นอยากรู้เรื่องไหนก็ต้องไปที่นั่นอยากรู้เรื่องอาณาปานสติก็ต้องไปสวนโมก อยากรู้ว่าอะยกย่ามเหยียบหนอไปโนดคุณแม่สิริอยากรู้สัมมาหลางก็ต้องไปธรรมกายแต่ถ้าอยากรู้การเคลื่อนไวหวแนวหลวงอุเรียนก็คือที่นี่นี่แหละนั้นเราก็จึงตรงประเด็นไม่วิตเดียวเราไม่อาศัยใสขาดอะไรมาแล้วก็มาเติมเต็มไม่ใช่คําว่าขาดแล้วมาเติมเต็มก็คือแบบโลภโลกคือขาดสิ่งไหนก็ต้องไปหาสิ่งนั้น ก็เรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบอยู่เพราะว่าเราชอบแต่ไม่ชอบปฏิบัติแนวหลวงพุทธิธรรมนก็ไม่ถูกละก็มองเห็นชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นส่วนตัวก็จึงคิดว่าการมาอยู่วัดป่าสุโกโตนั้นตั้งใจตรงชัดตรงประเด็นว่าจะมาศึกษาการเคลื่อนการไหวถอรหัสไอ้ตัวเคลื่อนตัวไหวของกายนะรูปแบบสตรีชงความคืออะไรกันแน่พลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึก มันคืออะไรกันแน่ทำไมวิธีการประหลาดสารที่สารที่ก็นั่งกันประนีดมากดูสง่างามปูมฐานมันคือการเดือดทนั่งดูลมหายใจหลับตาตัวตรงมันสง่ามัมนงามมันดูแล้วสังคมส่วนใหญ่ยอมรับแต่ว่าวิธีการนี้ทำไมหลวงปู่เทียนพูดแบบอาถารมาก พูดภาษา ซ, ซื่อแต่ทำไมมันดูแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจหลวงพ่อหลวงพ่อเขียนนี่สิทธิเอกทำไมท่านพูดแล้วดูมันเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆดูนิ่งดูสงบระนัดแต่บางทีก็ดูว่าท่านต้องการความว่องไวมีตัวงดงิดอยู่เหมือนกับท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อดูลึกๆมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ท่านสอนลูกศิษย์ส่วนใหญ่ท่านใช้มาสอน บางทีเร่งรีบเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยการไปกับหลวงพ่อเนี่ยต้องไปก่อนหลายครั้งแล้วนัดตรงต่อเวลาแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่คอยหลวงพ่อไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่คอยะทิ้งไว้ที่นั่นแหละประเภทที่ไม่เตรียมตัวก่อนะหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแต่บางที่หลวงพ่อก็ทวงเออหลวงพ่อก็ยังไม่เสร็จนะหลวงพ่อยังแปลงฟันอยู่ะหลวงพ่อก็ยังติดงานนั่นงานนี้อยู่ะ มีแครอย่หลเงพ่อโอเอช้าหลวงพ่อก eh uh, ็เออช้าช <im> ้าก <im> ็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้ทำให้นั่นไอ้นี่ให้เสร็จบางทีจะไปลงบาลเนี่ยหลวงพ่อจะโอเอะมากเลยตอนที่หลวงพ่อจะใกล้ตายนะหลวงพ่อจะเวียนในวัดเนี่ยเวียนรอบนั่นรอบนี้ดูนั่นดูนี่ดูนู่นเราก็มองเอออาจารย์เป็นอะไรอาจารย์เหมือนกับทาไมอะไรอาบอลแต่ในความรู้สึกหนึ่งก็คือเออถ้าเราใกล้จะตายเรากคงจะเวียนดูอย่างนี้ละ ขอดูเป็นครั้งสุดท้ายขอเก็บร่องรอยถึงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนประมาทไม่ได้มันก็จึงเป็นปัจจุบันตลอดรับรู้ตลอดดูข้างในตลอดปล่อยวางตลอดมันก็เกิดเป็นผลอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ได้ใช้บางทีท่านก็สอนเราโดยไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเราพียเขียน บางทีเราเดินออกหน้าบางสถานการณ์มันไม่ถูกกาลเทศะบางสถานการณ์ต้องออกหน้าให้ถูกกาลเทศะถ้เป็นงานเรื่องการสอนธรรมถ้าไปเทศนาธรรมเรื่องการแนุธรรมต้องให้ท่านออกหน้าแต่บางทีคนเยอะๆเขารอรับอยู่เราออกหน้าหลวงพ่อจะเดินเหยียบรองเท้าเลยไม่ให้ออกหน้าเราก็รู้แล้วหลวงพ่อก็จะมีปัญญาขอโทษขอโทษขอโทษเราก็รู้แล้วอ๋อหลวงพ่อบอกว่า ไม่ต้องออกหน้ามันเป็นอาการหลืบางทีท่านถือบาตระพายย่ามแบกย่ามจะเดินไปขึ้นรถไปสอนธรรมเราก็เดินสวนมาหลังจากฉันเช้าเสร็จสัพยบาตรอยู่เหมือนกันแต่เป็นช่วงที่ท่านรู้ว่าเราเก็บอารมณ์ตั้งใจปฏิบัติเราก็เห็นอาจารย์เราก็มีความดีมีความกระตันอยู่ มาเห็นอาจารย์ถือของมาก็ต้องเข้าไปรับของบาอาจารย์หลวงพ่ อ, เ, อเขียนเบี่ยงตัวหนีเดินออกข้างทางทลุยไปป่ายะคานนั้หันหลังให้เหมือนกับบอกเราว่าไม่ต้องมาช่วยให้ดูตนแลตัวเองให้ดีเราโอ้ท่านสอนเราอีกแล้วเี้ยหลายสิ่งหลายอย่างทีสอนไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดก็ได้เราเห็นครูบาอาจารย์เนี้ยเราก็เออ ออกมาเป็นส่วนประกอบนท่านเกิดผลจากการปฏิบัติท่านเป็นเจ้าสํานักเนี่ยเป็นประธานสงฆ์ท่านต้องการเผยแผ่แต่ว่าท้ายสุดท่านบอกว่าอาพับลูกศิษย์อาภัพลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่จะรู้เรื่องรูปน้ําเห็นความคิดรู้ทันความคิดปฏิบัติจนกระทั่งมันเป็นของจริงหาได้ยากมากตัวนี้นเราก็ได้เห็นท่านใจก็ว่าอาพับลูกศิษย์จนกระทั่งส่วนตัวเนี่ย มีความรู้สึกว่าเราก็ปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมโดยการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เชื่อศรัทธาในคำพูดว่านะการฝึกสตินะแนวหลวงปู่เทียนการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวอย่างเดียวนะมันสามารถที่จะทำให้เรานะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นทุกข์เห็นเหตุหแห่งทุกข์ที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งโดนะยที่เราไม่รู้สึกตัวหนะลงเข้าไป ใจิตใจขาดสติเสร็จแล้วก็กลายเป็นสะพานของความทุกข์ก้าวล่วงออกจากความทุกข์ไม่เป็นแต่พอเราทําตามท่านการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวในเบื้องต้นเลยมันใช่เลยเราไม่ได้เข้าความคิดแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้เท่ารู้ทันจริงๆในการรู้สึกตัวแต่ละขณะเพราะว่าสมดุลเรื่อภาวะของตัวรู้ยังไม่แข็งแรงมันก็เข้าไปแนบเข้าไปอยู่เนี่ย มันก็ไม่แปลกอะไรนี่ก็คือกระบวนการสถามถนมันเกิดขึ้นมาแต่อาจารย์ท่านกพยายามบอกเราสอนเราให้ดูให้ดูให้สังเกตความเป็นกลางโดยอ้างว่าหลวงปู่เทียนนะั้ท่านรูกก้กลางๆงไม่ใช่เข้าไปข้างในไม่ใช่ออกไปข้างนอกเราก็ได้สัมผัสว่วาเคยเผลอหลงเข้าไปในความคิดนั้นออกไปข้างนอกเวลาคิดเนี่ยมันอร่อยมันสนุกเราพยายามที่จะคิดดีแล้วก็ไปทําดีกันแต่ตอนนี้เราฝึกความรู้สึกตัวมันเข้า มาที่ฐานกายมันมาดูกายมันก็แนบแน่นกับกายมากายเข้าไปในท่ามืออัตตาวุฒามโยกออกไปข้างนอกกลามมาสุขายกายโยกเราทําไปทํามาเราก็เห็นสภาวะของจิตที่มันกลางๆมันทรงอยู่วับวับเปลี่แรมอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเอะใจเี้ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วทําไมมันมีตัวรู้ะมันมารู้ความรู้สึกที่เป็นกลางๆอีกทีมันคืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นสติมันรู้สติอยู่ การกสติที่มาดูตัวมันเองอยู่เราก็ทึ่งว่าทําไมตัวมันเองมารู้ตัวมันเองได้ยังไงปกติเราไม่เคยเห็นสภาวะนะเต็มเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างนีน้ที่ปรากฏขึ้นมามันแปลกแต่จริงๆมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตมันเท่านั้นเองพอเรามาเคลื่อนมือนะแยบคลายไม่กุกเกลียหาที่วิเวกแล้วก็เฝ้าสังเกตเราก็ได้สัมผัสมันมันไม่แค่วับวับแบมแบะ พอมันสัมผัสได้ถึงความว่ารู้สึกตัวแล้วไม่ทุกขนะ์นยมันก็อ้อตอบเราทันทะีมันก็มีพลังนะเกิดความศรัทธาขึ้นมาเกิดความขยันขึ้นมาเป็นปัญญาทาถูก ข, ขึ้นมาเวริยะนะสมาธิแต่พอดีไม่นิ่งไม่ชอบความสงบไม่ติดความพิติไม่ติดความสุขที่เกิดจากสมาธินะ มันก็เดินทางสติปัญญามันก็พาเดินทางไปเห็นรายละเอียดลงไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงนะเพราะว่าคําว่าอาภัพลูกศิษย์เนี่ยเราบอกได้เลยไม่อาภัพยังไงก็ไม่อาภัพนะอาภัพไม่ได้เพราะไอ้สิ่งที่ทํามันเป็นสัจธรรมนะรู้ไดนะ้ทุกคนนะที่ทําลงไปต่อเนื่องถูกต้องตามคําพูดของหลวงปู่เทียนจริงๆนะ ความถูกต้องมันเป็นยังไงนะก็เหรู้ซื่อๆอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีรู้ติฐานกายให้เป็นปัจจุบันขณะมันก็เป็นผลอย่างนั้นจริงๆนะเราก็เลยอยู่กันปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้แหละบางคนก็หลบไปนะ้ำมาวันไปวัดภูเขาทองก็เห็นบางคนไม่ชอบสถานที่วัดป่าสุขโตเห็นหลบไปอยู่ที่วัดภูเขาทองแม่ชีบางคนบางท่านนักบวทธรรมบางคนบางท่าน ภาบางรูปแต่อยู่กันก็ดีเพราะว่ากระจายออกไปวัดป่าสุกโตไปสถานที่กลางๆครูบาอนะาจารย์ท่านก็จรไปจรมาแต่ว่าหลวงพอ่ออมเขียนท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดภูเขาทองที่นั่นก็อาภัพเจ้าวาดเหมือนกันที่จะเป็นตัวแทนของหลวงพอ่ออมเขียนนเพราะท่านก็ชลาภาพไปท่านก็อยากจะเป็นลนักษณะของถอยหลังออกมาแล้วก็ปล่อยวางเป็นลนักษณะของผู้บริหารระดับสูง ที่มีสภาพธรรมเราก็ใช้สภาวธรรมเนี่ยรอยตัวยอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่ด้วยปัญญานะแต่คนที่ต้องออกแรงออกหน้าใช้กําลังแสดงตัวเนี่ยต้องเป็นคนที่มีกําลังกายแล้วก็คล้ายๆกับว่ายังขาดสิ่งนี้อยู่ก็ต้องทําก่อนเพื่อที่จะผ่านไปแล้วท้ายสุดพอแก่แก่เท่าหมดเรื่ยวหมแรงก็เกษียณ ที่นี้ก็ต้องยอมรับหลวงพ่อกรมหลวงพ่อกรมท่านจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะภาษาพูดของท่านเนี่ยท่านก็บอกแล้วท่านพูดอะไรมันเป็นคําพูดซ้ําๆบางทีคนอาจจะเบื่อแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือาการเคลื่อนไหวแบบหลวงอุเทียนเนี่ยท่านจะมีความชัดเจนอยู่ท่านพาเดินพาธรำตัวเนี้ยพระใหม่ก็ควรนะพระใหม่ก็ควรใส่ใจไปอยู่ใกล้ท่านนเพราะว่าถ้าเราอยู่โดยที่ ไม่ลงมือทำความรู้สึกตัวในรูปแบบนะอย่างผมเห็นลานอินโคเนี่อาภัพมากเนะี่ยทำมาเพื่อให้เดินจงกรมรับรองมันไม่ใช่รูปแบบที่ทําแล้วจะติดจึดแล้วกลายเป็นว่าไร้สาระแล้วก็สอนผิดไม่มีทางแต่ว่าให้เดินจงกรมจนกระทั่งมันเกิดสภาวะของความรู้สึกตัวที่ฐานกายซะก่อนพอมาเริ่มหเห็นความคิดนะแล้วก็เห็นไอ้ตัวกลาง ความปกติมันเด่นขึ้นมาเล็กๆน้อยตรงนั้นอ่ะเราจะทําแล้วทําที่ไหนก็ได้ที่ที่มันกลับมารู้สึกแล้วมันก็ไม่ทุกข์นะตรงไหนก็ได้พอมันมันกระทบสัมผัสของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเสียงมากระทบทางหูรวมมากระทบทางตามันจะได้คําตอบทันทีตัวเดียวกันนก็คือเป็นความรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ทุกข์คือมันไม่พุ่งปรู้เข้าไปปรุงแต่งมันจะไม่มีความคิดเข้าไปในการที่น กระทบแต่ละขณะแต่ละขณนาดมันไม่มีมก็เป็นคําตอบแล้วก็บอกเราถึงตรงนี้นมันก็ยังมีวัดวาร้านต่างๆอีกมากมายที่เป็นวัดล้างอยู่าี้ยมันก็มีอยู่ถึงตรงนั้นเราก็คงจะมีเหตุปัจจัยอย่างเช่นเมื่อวานหลวงพอ่อหลังจากที่กลับมาจากอาสารคามก็มาแวะเยี่ยมสํานักที่เพื่อนๆของเราก็พากันไป วัดอะไรที่ช่องสามหมอวิวทิวทัศน์ดีเห็นก็นว่ากันแต่ผมก็ไม่เคยไปเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องไปอย่างนี้นะช่วยกันเผยแผ่บอกต่อกันไปวัดล้างอีกามากมายเราก็ไม่ต้องมาแอบออดออกันอยู่มาแย่งกันกินแย่งกันอยู่ทีนี้นแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรต่างๆศึกษาลาเพสไปหรือว่าไปตามที่ชอบที่ชอบนะเพราะการงานในวัดมันก็ไม่เคยเหมอเท่าไหร่ แต่เราก็ทํากันไว้บ้างเพราะว่าคนมาใช้มันก็เยอะน้ําบ้างไฟบ้างหรือว่าที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนที่หลับก็ทําไว้บ้างแต่วัดนี้มันก็อยู่ในขอบในขอบเขตของเ อ, อป่าไม้นะหลักกฎหมายของป่าไม้อยู่พื้นที่ที่เราใช้ทําจริงๆมันไม่ได้เยอะนะมีไม่กี่ไร่มีเส้นน่ยข้างหน้าศาลานี้เท่านั้นนะอย่างศาลาหลังนี้มันก็ออกนอก เขตของที่ขีดสมมติกันไว้มันก็เป็นอย่างนั้นมันทำอะไรกันมากไม่ได้เราก็จึงอาศัยธรรมชาติดิบๆที่มีอยู่ป่าบ้างอะไรบ้างปฏิบัติธรรมกันไปอากาศก็สบายแจ้งให้ทราบว่าอีกสักประมาณวันที่หกนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนะี่ยวันนี้วันที่หนะึ่งก็จะมีคนมาที่นี่ประมาณสองร้อยห้าสิอถึงสามร้อยคน เป็นกลุ่มของมันสมองเกรดเอของเมืองไทยก็คือเป็นพวกแพทย์พวกทันตแพทย์แล้วก็เภสัชยกรทั้งหมดอยู่ในเขตของจังหวัดชจยภูมิแล้วก็โคราชทั้งหมดที่เป็นอ่าราชการใหม่ก็จะต้องมาฝึกอบรมกันที่นี่ก็เลยบอกว่าตรงสารนานมันมีเศษสังกสีมีขยะอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ ก, ก่อนให้จบ เพราะว่าต้องการสร้างภาพบนะอกตรงเลยผูบ้บรญยายชนก็นมาแล้วว่าเราก็ไม่ได้หรูหราอะไรนั้นให้สะอาดสว่างสงบไว้ก่อนมีสิ่งไหนห้องน้ำให้สะอาดไว้ก่อนแล้วก็ขยะข้างทางนะตรงไหนมีกองนมขวดนมถุงพติอะไรก็อาศัยชุมชนเรานะีนะ่ยถ้าจะทําดีเห็นปั๊บเราก็นะมีสติแล้วก็หยิบไปใส่ถังขยะบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยไปก็อาศัยกําลังพวกเราแบบนี้นะ ก็ชี้นำมาให้นิดนึ่งเพื่อให้เราได้เหมือนกับว่าช่วยให้เขาเกิดศรัทธาปลูกศรัทธาขึ้นมาจากการมาเจอวัดวาครั้งแรกนะถึงจะไม่รูหลาอะไรแต่ว่าสะอาดงี้ยก็ทําให้เขาคล้ายๆก็ว่าเริ่มที่จะรับรู้รับทราบรับฟังว่าเราอยู่ที่นี่เราทําอะไรกันจะได้กลมเกินทักพวกเราได้เดยเพราะหลักปฏิบัติทำอย่างเงี้ยนะเพราะพวกนี้เป็นพวกมีปัญญาแล้วก็ดือ้อ การที่เขาถูกบังคับมาก็นั่นหมายถึงว่าเราทํางานยากเนี้แล้วก็ถึงวันนั้นก็ขออาสาสมัครด้วยใครก็ตามที่เห็นว่าการประโยชน์รมโดยอาศัยกลุ่มที่มาโดยที่เราไม่ได้ร้องขอนะเข้ามาเขาเองโดยศรัทธานยเราพอใจสถานที่เราก็ทําให้ดูให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสเงียเงียบสงบย่างเงี้ยเขาก็ได้แบบอย่างจากที่เราเป็นครูเ้าสอนเขาโดยที่เราไม่ได้นะ แสดงออกแบบใกล้ชิดเป็นเว้นเป็นกรรมกับเขาโดยใช้คำพูดแต่ผมเลืาตมากับเพื่อนๆส่วนนึงก็คงจะใช้คำพูดแต่ก็จะรับผิดชอบด้วยอย่างน้นะเอาละ ว, วันนี้พูดไปก็เห็นว่าสมควกเวลาตพารพพร้อมกัน